ปฏิภาคใิมิตยแปลว่ามีมิติส่วนกลับภาคแปลว่าส่วนปฏิแปลว่ากลับส่วนกลับคือกลับเป็นหมายทีกลับกลายกลับตาระปรน์เป็นอย่างนี้จุดคือจากของอันหนึ่งก็กลายเป็นของอีกอันหนึ่งไปเป็นมิติที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่ขยายยังไงก็ได้ย่อ ก, ก็ได้ เลยกลายเป็นไม่ใช่ของจริงแแต่ว่าไอ้ของคือมันกลายความจริงหนักขึ้นแต่ว่าไอ้ภาพนี้นะมันก็มาจากเนื้อเิมถามว่ามันมาได้ยังไงใครทำให้มนผิดไปจากเลยดินเองไม่ได้ทำตัวเองให้ผิดไปจากเลยดินเองไม่ได้สัมแดงอลังอะไรใส่ลงมาในจิตของบุคคลนั้นแต่จิตของบุคคล น, นั้นนั่นเอง ที่เมื่อหน่งดินเอาเป็นอารมณ์ตั้งแรกจิตของตัวเองก็มีความระดีขึ้นมีกําลังมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเมื่อมีสมาธิมากขึ้นอารมณ์นั้นก็ระดีขึ้นเมื่ออารมณ์ระดีขึ้นก็อุดหนุนให้จิตเป็นสมาธิขึ้นไปอีกเมื่อสมาธิขึ้นไปอีกอารมณ์นั้นก็ระดีขึ้นอีกเป็นไปโดยลําดับอย่างนี้ มันเป็นเรื่องเหมือนกับคนที่เมื่อจิตใจดีแล้วย่อมมีความรู้สึกว่าไอ้โลภทัศติิงแวดล้อมคนแวดล้อมก็เป็นดีด้ลยเป็นน่ารักไปหมดดีไปหมดตำนองนี้นะซึ่งอันนี้ที่เรียกว่ามันเหมือนเป็นความวิปลาสอันหนเพราะมันไม่เหมือนของเดิมจะไม่ว่าวิปลาสอะไรอย่างปะว่าทีถามเราอย่างนี้ ว่ามันไม่ใช่ของเดิมใช่ไหมะ่ะเราก็บอกอบอกเป็นของเดิมหรือเปล่าก็าบอกไม่ใช่ของเดิมคือดินนี้ไม่ใช่ของเดิมแล้วก็ดินจริงจิตที่แห่งดินมาโดยลำดับก็มไม่ใช่เดิมกันแนะแต่ว่าเมื่อดินนั้นมีฐานะเป็นกระสินติดส ม, มาบัตแล้วตัวดินไม่ใช่ของเดิมนะแต่จิตนั้นเป็นจิตที่ถึงจุดถึงระดับ ที่คงเส้นคงวาเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุนี้แหละประวาที่ก็จึงได้สรุปของเขาไปในเบื้องต้นนี้ก่อนว่าถ้าอย่างนั้นผู้เข้าสมาบัติมีกสติเป็นอารมณ์ก็มีความรู้ผลิต น, นักนนี่ก็จะพยายามทำควา ม, มีิลิตนั้นในด้านอารมณ์เนี่ยมา เรือเอาอารมณ์มาเป็นตัวกว่าอารมณ์เป็นอย่างไรจิตต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ไม่ได้เลยฮะอย่างที่เราได้พูดกันบ่อยๆว่าอารมณ์เป็นอย่างไรนั่นมันอีกเรื่องอารมณ์เป็นอย่างไรจิตไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นบางทีอารมณ์ดีอารมณ์จริงแต่ว่าจิตกับวิปลาสโงกเข่าไปเป็นบาปเป็นชั่วยอยากตกตากไปมันไม่จด้เป็นไปตามอหน้าทของอารมณ์ทุกอย่างนั้น คนที่เขามีโยนิโศพฤติการดีเขาควบคุมอารมณ์เขาแสวงหาประโยชน์จากอารม ณ, รมณ์ตามที่เขากําหนดรู้ตามความเป็นจริงนั้นก็ได้กําไรได้ประโยชน์นั้นบัญญัติเนี่ยถ้ารู้เป็นบัญญัติแล้วก็แปลว่านั่นมันไมนใช่วิปลาสหรือว่าแม้ไ ม, ม่ได้นึกว่าอันนี้เป็นสมุทิที่เป็นสมุติแต่ว่าไม่ถูกบัญญัตินั้นครอบงาทําให้เกิดความยึดมั่นในขณะรู้บัญญัตินั้นอยู่ในจิตตรงนั้น ก็ถือว่าผู้นั้นไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจบัญญัติอย่างเลวร้ายบัญญัติไม่ได้มาทำร้ายแต่บัญญัติมาทำคุณนะเมื่อเราเราเร า, เราอ่านหนังือธรรมบาังธรรมะเขียนลูกกาลูกลการเนบัญญัติทำคุณแก่เราอันนี้ข้อที่สิเจ็ดเราก็เป็นฝ่ายกรรมฐ า, ามากถามว่าดินมีอยู่ และบางคนที่เข้าปฐวีกสินจากดินก็มีอยู่ี่อปราวาทีต่อวัจฉัผมให้ดูข้อติแย่ต่อไปข้อติดแย่8กาววาที3ามก็ว่าดินมีอยู่แต่ความรู้ของผู้เข้าปฐวีกสินจากดินเป็นความรู้วิปลิดหรือปรารวาทีต่อวัจฉั ข้อที่เก้าเราถามต่อไปว่านิพานมีอยู่แต่ความรู้ของผู้เข้าสมาบัติมีนิพานเป็นอารมณ์จากนิพานก็เป็นความรู้วิปปิสหรือเป็นอารมณ์จากนิพานมีนิพานเป็นลมเป็นคือเป็นอารมณ์ที่มีนิพานเป็นลมจากนิพานเองกันปูดเป็นคํา ท้าเพิ่ององขั้เป็นความรู้ลูบปะลิข์หรือปาราวารีก็ตอบว่าไม่่แล้วตัวเราก็สรุปว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็กล่าวว่าผู้เข้าสมาบัตมีปฐวีกสิ่เอ็อารมณ์มีความรู้ประลิขนะที่เราก็ย้อนกลับมาดูว่าอถ้าพูดถึงองนีิพานอนิพานมีอยู่ความรู้ของผู้เข้าสมาบัตที่มีอนิพาน จ, จากอารมณ์อางอนิพานไม่ใช่เป็นความรู้ประลิขอันนี้ปาราวารีเขาไม่ได้เขียนตรงนี้ แล้วเาเราก็มีความซู้อเอก็ไม่น่าจะต้องเสียงอะไรตรงนี้เพราะว่านิพพานมีอยู่คือตัวนิพพานมีนะมีอยู่จริงๆแล้วก็ความรู้ในนิพพานหมายถึงยานที่ห่วงเอามาเป็นเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ก็คือว่าได้อารมณ์จากนิพพานแต่อาจารนิพพานมันไม่เร้แรกว่าเป็นเงาของนิพพานหรือเป็นพัฒนาการความละเอียดของ นิพพานอารมณ์นั้นมาเป็นลักษณะนิดเป็นชั้นๆมาหาไม่ได้นะตอนนิพพานเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ใครที่หนอนิพพานมาเป็นอารมณ์แล้วก็เอานิพพานมาเป็นอารมณ์ทั้งดุ้นโดยตรงไม่มีการพัฒนาไม่มีการทําที่เรียก ว, ว่าต้องทานิพพานนั้นให้แบ่งเป็นบริกรรมนิพพานอกการนิพพานหรือปฏิปักษนิพพาน ไม่มีไม่ต้องทำกันนะ้นะแต่ว่าคำพูดเนี่ยเหมือนจะว่าค่อยๆเรียนมาจริงไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่วิปริตทีนี้ในข้อสิบเจ็ดข้อสิบแปดที่ระย้อนกลับไปดูทีเนี่ยว่าดินมีอยู่ไจ้บางคนที่เข้าประตูีินะริยนจากดินก็มีอยู่มีชอไหาคำว่าดินมีอยู่ที่ เราอ้างขึ้นมาถามเนี่ยยังมีอยู่ในความเป็นจริงที่มีอยู่โดยความเป็นปรมาทในชั้นเดิมจริงๆนั้นดังที่ว่ามาเมื่อกี้ว่าก็คือความแข่งคือปตัตกวีธานั่นคือมีอยู่ในชั้นเดิมแล้วก็หรือว่ามีอยู่ในชั้นโลกกโวหารว่าหมายถึงจริงที่เราเดียกย่ำแล้วเอามาแต่งเป็นจติน ก็เป็นเรื่องดินสมุิแต่ว่าเอาถอยกลับไปหาสภาวะเดิมก็คือปฐมีกติณที่เราอาศัยมาเป็นหลักแล้วก็ไม่จับเอาตัวสภาวะประมาสก์เป็นอารมณ์จับเลื่อนไปหาสมุิแล้วก็อาศัยมาเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิคืออันนี้เรียกว่าเอาสมุดเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อทาให้จิตระดีขึ้นเรียกว่าเป็น ปฐวีกสิ่งที่อาอาศัาายดินจากดินเป็นปัจจัยอย่างนี้วระวาจีก็บอกว่าใช่ใช่จริงก็จริงครับพระวจีก็ต่อยใช่ในกระดุมและที่เราพูดนี่มันก็ทจริงไม่ได้ผิดอะไรแล้วอีกข้อที่18ที่มันคลดินมีอยู่ความรู้จากผู้ความรู้ของผู้เข้าปฐวีกสิจก่จากดินเป็นความรู้ประดิษฐ์ พอมาถึงตัวนี้ปาราวาตีก็พูดว่าจัดไอ้ที่ตอบว่าใช่ตรงนี้นะ่ะเป็นความน่าสนใจปาราวาตีดังที่ได้ว่ามาแต่ว่าในบทอธิบายของเราก็เป็นอย่างที่ได้ว่ามาว่าดินมีอยู่ในชั้นเดิมเป็นของจริงแต่เพราะเมื่อเอามาบริกรรมแล้วไม่เอาของจริงมาเพ่งเพ่งหนีคบางทริงเพ่งเอาความประนิตอย่างอื่นเป็นปฏิภาคนิิตเป็นที่สุดนะเรียกว่าเป็นดินสมมุติที่เกิดจากดินจริง เป็นดินเที้ยนมาจากดินแท้ปราชญวทีก็บอกตรงนี้แหละเป็นความรู้ประดิของเราบอกว่ามันเป็นดิจิตเจ็ดคนว่ามาแล้วหนึงกู่นะดันั้นเมื่อถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นะเป็นความรูปร้ประดิษฐ์นะปราชญ์วดทีก็บอกว่าจะนะทีนี้มาพูดถึงนิพพานนิพพานเนี่ยไอ้คําพูดว่าจะนิพพานที่จริงเป็นศัต่ว่าคําพูดแต่ลนี้ นะมันไม่ได้มีการเคลื่อนเคลื่อนมาคือมันว่านิพานทีแรกจับได้ เ, เป็นของจริงแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นนิพานไม่จริงตรงนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะก็สรุปแล้วข้อนี้นะเป็นเรื่องของคำพูดว่าความรู้นิพานมีอยู่แล้วความรู้นันเป็นความรู้ในะนิพานคือความรู้จากนิพานเท่านั้นซ <_ c oughs> ึ่งจริงๆนะผมก็ยืนความรู้ึว่า เหตุผลตรงนี้ค่อนข้างจะพูดแต่งนั้นแต่งค่อนข้างจะเอาคําพูดไปซะหน่อยคําพูดว่าจากคือจากดินจริง เ, เป็นยามที่ได้จากดินจริงแต่ว่าตอนที่ได้ทานแนี่มันกลายเป็นดินขึ้นมาแต่ความแต่นิพพานนี่ไม่ใชนะ่่นะนิพพานนะเป็นความรู้นิพพานจริง และความรู้นั้นแนงในการต่อต่อมาในมรรคผลถึงสูงขึ้นไปในลำดับผลธรมมาปาิ ล, ลำดับประกัด ม, มา ก, ก็เป็นความรู้ในนิพพานจริงที่นิพพานนั้นไม่ได้ลัคนานะครไม่ได้ลัคนาไปจากดื่มเหมือนอย่างการเช่งปัตวีจะถิ่นนั้นตรงนี้นั้นค่อนข้างจะเป็นการแต่งในลักษณะของคําพูดสักหน่อยนะตรงนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมนับว่าเป็นเหตุ ผลที่ที่ที่เป็นเรื่องของสภาวะเหมือนกับเรื่องของผู้สนเรื่องผู้สที่ว่ามาในเบื้องต้นความวินปรารถันจะต้องอยู่ตรงนั้นก็เรื่องการแต่งกระถางวัตถุเนี่ยบางิีก็ออกมาในลักษณะอย่างนี้จริงๆนะว่ากตะถาแก่ว่าบางทีก็เหมือนแต่งเป็นลักษณะลวงประวาตีได้ทตามนั้นรวงไปว่าใครใครคิด ไปยังงนู้นอย่างนี้แล้วให้ประรามวทีไล่ตอบบางเรื่องออออก็ก็ควรจะรากรู้เพิ่มอหน่อยนะที่ได้ว่าตามมาทางอาษ า, า, าท่านแกมันตรงนี้ก็ก็เดียเด่นนะแล้วก็เลยไปสรุปมาเออแต่อย่างนั้นก็ผู้เขา้าปะวีสติ๋งก็ก็ไม่เุ็นกลางผู้เข้าปตวีสติ๋งมีความรู้ตระหนั หรือถ้าจะสรุปวิธีว่า่ถ้าอย่างนั้นผู้เข้านิพพานจากนิพพานก็เป็นความรูร้ผลิตการนิพพานนั้นเป็นนิพพานจากบริกรรมนิพพานในเรือผมพูดเองนะเมื่อเทียบกับบริกรรมนี้ไปเป็นอุกขานิพพานไปเป็นปฏิภาวนิพพานซึ่งมันเป็นยังงเพราะฉะนั้นนิพพานที่เป็นอารมณ์แม้แต่ในสมาที่อย่างหนึ่งที่เรียกว่า คนที่ทําสมาธิแบบอุปัสมานสติอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นการฝึกสมาธิของพระเรียที่มีนิพพานเป็นอารมณ์อู่ทีนะไม่ใช่เป็นสมมุติเอานิพพานเนี่ยมันนึกแต่นึกนึกเพื่อให้จิตสงบเพื่อผลทางสมาธิเท่านั้นไม่ใช่เพื่อผลอย่างอื่น อเราไปดูอีกข้อหนึ่งครับข้อที่สนะองร้อยสิบห้าแล้วนะเรามาว่าขัดแต่นี้ก็เลยสี่เรื่องเรื่องข้อสองร้อสิบห้านั้นมีชื่อว่าสัมมติญาณนตนะแปลว่าเรื่องความรู้สมมตุติหรือสมมติเหรอแปลว่าความรู้อะไสมมติสมมติก็คือสิ่งสมมติบัญญัติที่ต่างขึ้นอัตราบัญญัติความรัฐบัญญัติบัก ในคำถามที่หนึ่งปราวาตีถามเราในเรื่องนี้ปราวาตีก็ไ่ายถามเราตลอดปราวาตีถามว่าไม่พึงกล่าวว่ายานในสมุตินิสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีทมอื่นเป็นอารมณ์หรือเราก็ตอบว่าใช่ ขอให้ดูข้อสองต่อไก่อนก็อสองเราถามว่าบุคคลผู้เข้าสมาบัติมีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีญาณและปัทวีกสินเป็นสมุตติกัจจายบุคคลผู้เข้าสมาบัติอาโปกสินเป็นมีอาโปกสิเป็นอารมมีญาณมีญาณอยู่มีปัญญาในขณะเข้าทางนี้มีอารมณ์อย่างนี้ และมีอาโปกสินและอาโปกสินเป็นสมุติตัตจักบุคคลผู้เข้าสมาบัตรมีเจเจโชกสินเป็นอารมุมีอย่างและเจโชกสินเป็นสมุติตัตจักรบุคคลผู้เข้าสมาบัติมีวายโอกสินเป็นอารมุมีอย่างและวายโอกสินเป็นสมุติตัตจักรมิใช่หรือ เราก็ตอบว่าใช่าจากคําถามเขาถามที่พระวัดที่เถามเรา น, นี่นะที่เขาทวงเราในนิพพโกรมาพระวัดทีก็ถามทวงเราเลยว่ายานในสมุดมีแต่จากเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีทามื่นเป็นอารมณ์หรือแล้วเราก็บอกว่าใช่อันนี้ก็บอกว่าไม่พึ่งกล่าวว่า คือไอ้เขาทวงเราเลยแต่มันมีคําปฏิเสธเสียงดังแต่งงไม่รรมคลึงกล่าวว่ายานในสมมติคือไอ้เขาเนอะเขาบอกว่ายานในสม ม, มตินะมีตัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีธํามอื่นเป็นอารมณ์นี่้องพูดเขานะแต่เราเนอะบอกว่าไม่ควรพูดคํานี้คือไม่คลึงกล่าวว่ายานในสมมติมีตัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีทํามอื่นเป็นอาราววาานนมณ์ น, น, น, มม น, น, นี่เราแย่งนะ ไอ้คำแย้งของเราตรงนี้ปาราวาตีก็เลยมาถามเราว่ า, า, ไ, ม า, วาไม่ควรกล่าวคือเขาเนี่ยไม่ควรกล่าวใช่ไหมว่ายานในสมุติมีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีธรรมหรือเป็นอารมณ์เราก็บอกว่าใช่ไม่ควรพูดทีนี้ไอ้ที่เขาบอกว่าควรกล่าวเนี่ยพิงพูดถึงปาราวาตีนะ ที่เขาที่เขากล่าวว่ายาในสมุติมีสัจจะเป็นอารมณ์้า น, นั้นไม่มีตามอื่นเป็นลมนี่เขาหมายความว่าฌานเนี่ยเป็นสมมุติฌาานมันไม่ใช่ทุฌานนะบางการก็มีปรมัตแล้วไม่ต้องพูดถึงอะไรแต่ว่าฌานส่วนใหญ่นั้นจะมีสมมุติเป็นอารมณเป็นปัตีกัตตินอาโรกัตตินเตโยกัติินวายโยกัตติน นีลาตะนิงปีตะตะสินโลหิตตะตะสินโอตาตะตรสิงอากาตะตะสิงพวกนี้นะก็เรียกว่าเป็นเป็นสมุตที่เป็นอารมณ์ของฌานและในฌานมีปัญญาด้วยก็ถือว่าเมื่อเอาปัญญาเป็นประธานปัญญาในฌานเนี่ยชื่อว่าเป็นญาณที่มีสมุติเป็นอารมณ์ <Yeah. S 1> เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นกับสมุติ <Yeah. S 1> เหมือนกรารอ่านหนังสือ ก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมุติแต่เราอ่านห น, นังสือเรื่องที่อ่านแล้วอ่านไปจักปรมาณในภายนแต่ว่าคนทําฌานเนี่ยเขาเพ่งกระสินเพ่งสมุติแล้วก็ไม่ได้อ่านไปไหนเลยต้องเขาเขาไม่ได้อ่านเพื่อไปอ่านอ่านลมเพีงแต่อาศัยเป็นเครื่องหลวงให้จิตนิ่งแท่านั้นเนี่ยไอปัญญาในนั้นปัญญาที่ทําได้อย่างนั้นที่นี่ได้อย่างนั้นทื่ว่ามีสมมุติเป็นอารมณ์ทีนี้สมุติเนี่ย เรียกอีกอย่างเรียกว่าตัดจจกได้เหมือนกันตัดจะกะแบ่งเป็นสองโดยคําพูดนะสมมุติที่สัจจกประมาณสัจจะเรารู้ดีแต่ว่าคําว่าตัดจจะเฉยๆในบางแห่งในที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกระสุนที่ตราว่าตัดจจกตัดจจกเนี่ยหรือบางทีก็เติมลงขยะว่าจตุราริยตัจเนี่ยนะหรือสัจสีหมายถึงอริยสัจ เพรานั้นคำว่าสัจจ์ในที่นี้เราค้านในแง่ที่หมายถึงอารียสัจไม่ได้ค้านในแง่ของคําว่าสัจจ์สองคือสมุทิตสัจจ์หรือปรมาสัจสัจจ์นั่นค่มีใครมาบอกว่าหรือมาพูดว่าฌานมีมีอารียสัจเป็นอารมณ์เราเล่าได้ไละเราบอกไม่ได้ไม่ควรพูดคำ น, นี้ ว่าจำนี้จะพูดตั้นๆว่าฌานนี้สัจจเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้ถ้าสัจจหมาที่เรียนสัตตีนะไม่ควรพูดแต่ถ้าหมายความถึงสัจจสองว่าฌานมีสัจจเป็นอารมณ์ฌานที่เอ่อเอ่งกับสินเป็นต้นเนี่ยนะมีสมมติสัจจเป็นอารมณ์ก็ยังได้ครับเรื่องนี้นะต้องการจะแบ่งสัจจ เป็นสองชุดนะฮชุดหนึ่งหมายถึงอริยสัจชุดหนึ่งหมายถึงสมุติตัจจะกับปรมาตัจจะหรือเอาความว่าตัจจามีสองชุดชุดหนึ่งคือตัจจาศีอีชุดหนึ่งคือตัจจสองตัจจศีหมายถึงอริยสัจตัจจสองหมายถึงสมุติตัจจะปรมาตัจจะทีนี้ยานในยานในสมุติเนี่ยหรือที่เรียกว่าสมุตติยานเนี่ยไม่เป็นชื่อของมรรคยานของระยะไม่เป็นชื่อของกัจเวีขณะยะ สมุติยา น, นะสมุติยานนั้นจะเป็นชื่อเรียกปัญญาเจตสิกที่อยู่ในฌานสมาบัติที่มีสมมติเป็นอารมณ์ทั้งหมดเว้นอรมูปฌานที่สองกับที่สี่นะอนั้นไม่ได้สมุติยานนั้นฌานก็จะได้แค่ปกหรือเกตนะนะแต่แลวเรียกแ บ, บ่งโดยในในายาของฌานกล่าวในฌานแปดแล้วก็หมายถึง คนที่ทําทานทําทา น, ท, น ท, ทําศีลทําโลภะทํำการกุศลทั่วไปที่มีสมมติเป็นอารมณ์แล้วขนาดที่มีสมมติเป็นอารมณ์นั้นมีปัญญาประกอบด้วยหรือผู้ในชักอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าใครที่ทํากุศลด้วยมหากุศลญาณสัไปยุตกับสมมุติบัญญัติหรือมีสมมติบัญญัติเป็นอารมณ์ มหากุณญาณสาัมบัตินั้นชื่อว่าสมุติญาณการในสมมุติญาณเหล่านี้นะถ้าใครบอกว่ามีอารียสัจเป็นอารมณ์ไมพูดไม่ได้แต่ถ้าบอกว่ามีสมมุติสัจจะเป็นอารมณ์ตามรับเกิดของคุศลนั้นนั้นๆตามทานที่เค่งอะไรเป็นอารมณ์นั้นๆๆอย่างนี้เราก็รับแต่ว่าออกจาดิมีสัสจจะแต่ควรจะพูดให้เต็มว่ามีสมมุติสัจจะเป็นอารมณ์ นะพูดในดวงก็ผู้นี้ยส ม, มุตติยานทั้งหมดเนี่ยมีส ม, มุตติสัจจะเป็นอารมณถูกไม่ผีดแต่ถ้าพูดว่าส ม, มุตติยานมีอริยตัจเป็นอาลมิดแต่ถ้าพูดว่าส ม, มุตติยานมีสัจจะเป็นอาลมณกรรมกุศต้องทีแก่ให้ะคำที่พระวจีกล่าวเนี่ยกรรมกุศล ว่าสมุตติญาณมีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นเนี่ยเป็นคำพูดคำพูงแต่ถ้าบอกว่าสมุตติญาณมีสมุติสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นนี่จริงเลยอนะ่ะไม่ผิดไม่มีทำอื่นนอกเหนือจากทำอื่นสมยัยถึงปรมาตร์สัจจะเป็นอารมณ์อันนี้ก็ถูกก็พูดแค่นี้ก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ยากนะทั่นแปลว่าที่เมื่อถามเรามาถึงข้อสองนี่ยเราก็รับหมดนะ รับในส่วนที่ถูกต้องในส่วนที่เราต้องการจแยกแยะอะไรถูกเราก็รับว่าถูกอะไรที่ควรจะแยกเราก็รับว่าควรจะแยะในข้อสามปรารถวาทีถามเราถึงสมุตติญานในกรณีอื่นในสมุตติญานข้อสองเนี่ยเป็นเรื่องสมุตติญานระดับฌานระดับมรรคตข้อสามนั้นเป็นสมุตติญานในระดับฐาน ก่อนยกตัวอย่างการมีของทานความสิงศีมก็มีสมมติที่สัจจะได้อปเจยานะก็มีสมุติที่สัจนะสสจะเป็นอารมณ์ได้ไวายละวายเจ้าวากว่อวายแม่วายหลุลบละวายรงเคารพตรงตาต่างๆสมมติทั้งนั้นประวะทีถามว่าบุคคลผู้ให้ซึ่งทาน ม, มีอย่างและทานเป็นสมมติที่สัจจะ บุคคลผู Türkiye ้ให้อย er ู่ซึ่งกีวรมียาและจีวรเป็นสมุติตัจักบุคคลผู้ให้อยู่ซึ่งจินาบัตมีอย่างแนวกรณีมีอยางนะที่ใจรออย่างเนี่ยจะมีอย่างยุบยุตไม่ไม่ไม่ตรงเพราะไม่ได้มีเป็นปัญญาและมีบิดบาตและบินาบาตเป็นสมุติตัจักบุคคลผู้ให้อยู่ซึ่งเสนาสนะมียาและเสนาสนะเป็นสมุติตาจัก บุคคลผู้ให้อยู่ซึ่งกีฬานะเสรัดจาปัจจัยเศรษฐัดกาบริการที่อยากและกีฬานะปัจจัยเศรัดกาบริการเป็นสมุติสัจจะนี่ใช่หรือสกวาวีก็ต่อไปใช่อันนี้นะครับท่านดูว่าอต้ผมให้ดูตัวหลังของข้อสามทั้งแถบนี้นะว่าทานเป็นสมุติสัจจะหรือคำว่าทานเฉยๆนั้น ถ้าเป็นกรณีพูดอย่างเป็นกนลางเนี่ยอานเป็นสองอย่างนะหนึ่งคือเจตนาทานประดับสองวัตถุทานตะดาถ้าหมายถึงเจตนาทานแล้วเป็นสมมติว่าเป็นประมัติเจตนาทานโดยสมมติว่าเป็นประมัติเป็นประมัติแต่ไหมเจตนาเจตสิแต่วัตถุทานที่เจตนานั้นคิดจะให้เป็นสมมติอ่นะ วัตถุทานลบๆตัวไปเองนะดัง น, นั้นในนี้จึงกล่าวว่าทานเป็นสมมติสัจจะนี่สิงหมายถึงวัตถุทานจีวรเป็นวัตถุทานอย่างหนึ่งจีวรเป็นสมมุติที่เป็นประมัดเป็นเป็นสมมุติเป็นประมัดเป็นสมมุติไม่ใช่ของจริงนะเสื้อกผ้ากุ้งเกนเนี่ยไม่มีสภา ว, ว่าของความเป็นจีวร อ, อยู่ในสิงนะ้ แต่ที่เราไปจับไปต้องได้รู้สึกเย็นรู้สึกร้อน่มันเป็นไอ้ไอ้ธาตุที่อยู่ในนั้นนะ่ะฮะธาตุที่อยู่ในกีวรนั้นเป็นปรามะเหมือนกับธาตุที่อยู่ในผ้าเราหลับตากลมแต่เมื่อเราับตาธาตุธาตุเย็ดจีวรเนี่ยทามาเย็ดเป็นเงินเกงเราชุดหนึ่งเย็ดเป็นตจจีวรชุดหนึ่งแล้วให้เราไปจับเราจะรู้สึกสัมผัสอย่างนั้นยังมีนั่นของจริงแต่ของจริงนั้นเข้าที่เราสัมผัสเนี่ยมันไม่มีความเป็ น, G all, นจีวรแน่เลยจ้ะแต่เวลาเราลืมตาขึ้นมาแล้วเราถึงเห็น ภาพสมมติของมันว่าเป็นกิวนนั้นกิวอนจึงเป็นสมมตินในแง่ของสุภาษิของหลักอมรมานะแล้วมาบินทบาาหมายถึงอาหารนั่นเองอะ่ะกกับกบแพร่งเนี่ยก็เป็นสมมติอีก่เหมือนกันไม่ใช่ของจริงที่ว่าเรามอว่าไอ้แปงสุดเดียวกันตัวผสม อ, อย่างเดียวกันอาไป ไปทํารูปแบบอย่างหนึ่งเป็นรูปตัดหลายๆอย่างไอ้ข น, นมขนมปังเด็กๆบางทีก็ทําให้เด็กมันรู้สึกว่าอร่อยในเท่ากะนทางบางทีมันก็ขนมนอย่างเดียวกันแต่ว่าทําเป็นรูปต่างๆกันเท่านะเพราะนั้นไนะอ้สภาพว่าจริงของในอาหารที่เรากินเนีัยก็มีโอชาไม่เป็นประทานแล้วก็มีดินหน้าไฟลมปะโสมมาอยู่ในะนั้นสีกินรสโอชะวินิโกลมันรูปแปะอยู่ในนั้นะ เกี่ยงแต่ว่าอ า, อาหารจตรัะส่ว น, นมีความยิ่งความหย่อนของอวิมิพโกรูปแปดแดตกต่างกันไปก็เลยปรากฏโดยความเป็นสิ่งอย่างหนึ่งปลาเป็นลถอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต่างกันไปความยิ่งความกอบแต่ต่างกันไปในเรืเ่องความเข้มข้นความยิ่งยิ่งหย่อนของวิมพโกรูปแปดแล้วก็เลยสมมุดคลุมไปตามรูปประพัน์สันธาน ความยิ่งความหย่อนของวินิจโภครูปแบบนั้นว่าเป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เป็นผลไม้อย่างนั้นอย่าง น, น, างนี้นี่ก็เป็นสมวุมดเตนะาตะบ้านเรือนลองวางท่ำเทอมต่างๆพวกนี้ก็เป็นหลวงมดทั้งนั้นหรือําออกมาวางอารูปตรงก็ะยางใหม่ก็อาจจะกลายเป็นเป็นอที่ที่มีภาคอีสานเยอะๆมันก็ามาจาก ก้อนินนะดีไม่ดียดีไปรื้อแจกทำอีไหนมาทก่อนอพวกมีหารพวกมีหานต่างๆไม้จากป่าก็าเอามาทำเป็นบ้านก็เป็นละมุด่างๆแม่แเรื่องของปัจจัยสิอยานะฮะอยู่ยาต่างๆก็เช่นเดียวกันยากินยาโนดแล้วก็พวกเครื่องบริหารของยา อุปกรณ์ในทางแพทย์ทั้งหลายนี้ก็อยู่ในฐานะของเกตัจจาปัิยาบริการทั้งหมดเป็นสมมุตติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนที่ให้ทานเนี่ยก็ปลาลุกสมมุิให้ให้สมมุติจิตคิดอยู่ในส่วนที่เป็นส ม, มุดนบะเนี่ยโดยโลกก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าคนมีความพาใจธรรมะเียนก็ส า, า ม, มารถที่จะ ให้สิ่งสมุติเหล่านี้ด้วยการกําหนดจิตจับเข้าไปถึงสภาวะประมัติได้ซึ่งก็จะเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เวลาที่เราให้ทานแล้วมันติดติดไปในสมุติเนี่ยครับเวลาเราได้เสวยผลหรือวิบากของทานแล้วมันจะมีอิทธิพลของสมุติเข้ามาติดอิอทธิพลของสมุดที่เข้ามาติดเนี่ยก็คือมันเ็นเรื่องแปลกแม้แต่คื่อแม้แต่ รูปแบบของจริงนั้นจริงนี่ลูบทร ง, งลิ้วปานรูปหล่าหน้าตาของเรายังไงยังไงมันก็จะเป็นรูปของส ม, มุติที่สอดคล้องกับผลได้ผลเสียในทางสังคมหรือในอะไรต่อมิอะไรต่างๆในสมัยนะันนนนนนนน้นในในจังหวัดที่เราไปเกิด น, นะอย่างเรื่องของชื่อนี่ก็ปแปลกเราเราหาเจอในกำปีว่าคนว่ามีชื่อตามเบญตามกับแล้วก็ อิทธิพลของสมมติในทางชื่อต่างๆเนี่ก็มีผลตอบกุศลวิบากอกุศลวิบากของบุคคลได้เช่นเดียบะพอมันสะต้อนมาจากเจตนาในพันเหตุเอตัวพลังจริงๆคือตัวเจตนาเป็นกรรมแต่ว่ากรรมในเวลาเกิดมันต้องมีอารมณ์ครอบหลาลกน้นเวลาเจตนาให้วิบากเกิดขึ้นแต่วิบากเนี่ยตัวหลักก็เอาจิตเป็นหลักแต่ว่าอารมณ์ของจิตนั้น สิ่งโผว่พันมาจากจิดนั้นมันเลื่องไปสิงสมุติไา้ตามเจตนาเดิมของตัวเองอนนก็เพราะนั้นว่านี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากเป็นในเพียงบอกว่าเป็นเรื่องสมมุติเราก็ไม่ว่าับว่านี่เป็นเรื่องสมุดเป็นสมมุติยานกป็นสมุติี่สัจจะเอาแต่ย่างนั้นแล้วก็บอกว่าแล้วไปที่ตอบรับไว้ใจเนี่ยคือแล้วไปเราไม่เสียงในแง่สมมุดนี้แต่ที่เราจะเสียงในี่คือเสียงในแง่ มนเงี่ยสัจจานี้ไม่เสียงแต่เสียงในเนี่ยสัจจารู้ประวจีก็ได้สลุกในส่วนความประสงค์ตัวเองไปก่อนนะว่าดเหตุนั้นนั้นจนริงต้องกล่าวว่ายาเนสมุติมีตัจจะเป็นอารม์เท่านั้นไม่มีธรรมหรืเป็นลมนี่ก็ตลุกแบบคาก ำ, ำกวมอย่าง